แพัทยาสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่าพัทยะหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงกบิลพัทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้าสกยะพระนามว่าพัทยะผู้ประทับนั่งณนที่สมควรว่ามหาบ่อพิษอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตา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 ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกผู้ประกอบได้ทำสี่ประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสังโพธิในวันข้างหน้าพัทธิยะสูตรที่8จบ